ความสามัคคีนี่ดีทำอะไรก็ดีสามัคคีมีในหมูใดความสุขย่อมมีในหมู่นั้นถ้าสามัคคีคลาดไปหรือขาดไปจากหมูใดแห่ ไฟยออเข้าฟาดฟันหมูนั่นชิบหายฮะอันนี้น อ, อ่ะอธิยู่หลายๆครั้งมาความแตกแยกตามเมื่อกี้ตามแต่ครั่งพุทธการเนี่ยก็มีเหมือนกันความแตกตามอเอกีกันเกิดเป็นไยพิบัติขึ้นในหมูในคณะ พระเทวทัตเอี่ยให้หมูสับแตกตะวกีกันแยกกันไปอันนี้ก็เกิดใครที่บัตรขึ้นทางศาสนามาในเมืองไทยเราก็มีสมัยหนึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยาข้าศึกเข้ามาเอามามาหลายเหลี่ยม มาหลายอย่างก็ะก่อนมายุให้นั่นก่อนให้เกิดกิเลสลก่อนถ้ามาเข้าข้างอันนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาจะให้ตาแหน่งหน้าที่ดีขึ้นได้เป็นคุนนางได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นได้เป็นคุนนางได้เป็นเท่าพรพยา ในอะไรหลายอย่างเขายุค ข, ขึ้นมาพวกที่ฟังคำยุยงนั่นก็เชื่อเชื่อท่นในใจคราวนี้เราเราจะได้เป็นเท่าพยาก็เลยอยากขึ้นมาคือว่าเห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้าเห็นเข้าตาโตปาโลอยากได้ขึ้นมาก็เลยไป เข้า่าเข้าทางค่าศึกโดยไม่รู้ตัวผู้ที่มาพูดนั้นเข้าใจว่าเป็นพวกเราที่ไหนได้มันเป็นแนวที่ห้าเข้ามาก่อนมาโย่ให้ลำตำให้ลุยล่ว่เชื่อให้เกิดความอยากก่อนขะมองมันอยากจะได้ยศถาบรรดาศักด เป็นเจ้าคุณบนนายผมขอว่างได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความมีกำลังของในอยุธยาก็แตกออกเออแตกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายข้าศึกก็มาแล้วก็ไม่ผลึกกำลังกันต่อสู้เท่าไร แยกกันอยู่แยกพวกแยกพรรคแยกพวกกันอยู่ไอ้กที่อยากเป็นใหญ่เป็นโดนล้วก็ตั้งตนเป็นหัวหน้าแต่หัวหน้าทางผิดขึ้นจะแล้ววะเนเอาไม่อยู่ข้าศึกก็เข้าฟาดวันนะทำให้กรุงศียุธยาแตกและสําระสายกระสานสั่นเซนไปจน พระเจ้าตางสินนี่เราดูไม่ได้ทนดูไม่ไหวหนีหนีไปอยู่จันทบุรีไเลห น, นะนีข้าศึกไปอยู่จันทบุรีไปรวบรวมกำลังทางโน้นขึ้นไว้สร้างสัตว์ระอาวุธขึ้นมาปืนใหญ่ไปทำที่เมืองจันทบุรีเนาะลูกคนเท่ากระโถนเนี่ยปืนใหญ่ อันนี้เอาประมาณปะมาณวันที่ยึดกรุงศีอสุยาแตกแล้วก็ตามย้อนกลับมาพอรวบรวมรีบพลนได้พอเป็นกำลังใจล้วก็มากันละมาทางเรือไม่ได้มาทางบกออกจากกัณบุรีก็มาเรื่อยๆมาตามฝั่งแม่นม้ำมาเรื่อยๆ เ, เข้าทาง็ละ่ะอยขึ้นมาเรื่อย ก็อนมาละกาต็ดปืนใหญ่พังละลมละลายขึ้นนะกำแพงก็พังช่างบ้านสร้างเอาใหม่ยิงกำแพงกํงแพงก็แตกแต่แรงมากก อ, อกเขาไปรีบไฟอยู่ในโบสถ์ที่ไหนก็เอาหมดอย่างเงี้ยแะลมละลายก็แล้วอ่ะ ตายเป็นเบื่อซะก่อนเรียกว่าสังเวยกิเลสเอาความโลภเป็นใหญ่ยอมเสียตลาดตายสังเวยกิเลสนะกิเลสความอยากนะทําให้บ้านเมืองแตกสาแลขาดเป็นแถวเดียวนะหลายข้างหลายเกาหนะาหลายละลอกอยู่นะ นั่นละความแตกสามัคคีกันแล้วไม่มีกําลังเหนียวแน่นถ้าสามัคคีกันดีๆแล้วไม่มีใครมายุให้ลำตาให้รั่วยั่วไม่อยากขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเหนียวแน่นจริงๆต่อไปต่อมาจึงรู้บเบาะแสว่าเขายุคเฉยๆเขาไม่ได้ให้อะไรหรอก จึงค่อยมากลับมาหานหน้ามาจับมือกันเอาจริงเอาจังจึงไล่ฆ่าฆ่าศึกจตอตูผ่ายแฟ้หนีไปนั่นความไม่สามาคัคคีมันเป็นโทษซึ้นขนาดนั้นพวกเราทั้งหลายในี่ยังดีอยู่หรอกต่อไปหนึ่งเมืองสกคลละครเรา สมัยคอมมินิสต์เข้ามาน่มาหลายสายเหมือนกันมา ย, ยุ่งให้ลำํำให้รวยอยู่ให้แตกเออรวมพักรวมพวกออกจนอยู่บ้านไม่ได้ก็ไปอยู่เข้าป่าหนีไปอยู่ป่าเขาเชิญกินไปอยู่ป่าแล้วก็คนไทยฆ่ากันเองวเว้ยไม่มีอะไรเลย เป็นมาหลายจังหวัดอยู่ตั้งแต่ว่างเลยหนองคายลงมาหาอ่านครพนมตะกล น, นครเราเนี่ยอุดรธานีก็มีแทบแสบบ้างเป็นบางอย่างบางแห่งอยู่แต่เข้าวัานไม่ได้หรอก ว, าว่าพวกมันจะแข่งขันในเมืองในน้า เอาปรากต่ออะไรมันก็ยิงโกรธแค้นกันอยู่อย่างนั้นนะปรากต่ออะไรก็ยิ่งโกรธแค้นกันอยู่อย่างนั้นนะที่้องตายผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตายผู้เป็นหน้าเป็นตาก็ตายเอาวิธีนั่นก็ยิ่งลุกฮือกันใหญ่ไปเอาโครงการกาหลนยเทพเข้ามาใช้ เราไม่ต้องใช้สัตระอาวุธใดๆทั้งนั้นเราจะเข้าไปเกลีย้ยกล่องประชาชนให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาบ้านเราเมืองเราที่น้องกันฆ่ากันไม่ดีพวกเราจะไม่ใช้สัตระอาวุธใดๆทั้งนั้นถ้ามีสัตระอาวุธครอบครองอยู่ก็ดีให้นํามามอบมาแก่ฝ่ายรัฐบาลนะ ก็มีความเห็นด้วยพวกนั่นพวกฟาก็มีความเห็นด้วยอา้อาวจะจัดที่เท่าที่นาให้อยู่ให้กินให้ทําอยู่ทำจีนกันตามเป้าเอา้าตกลงนัดหมายกันจะมอบจะเข้าไปมอบสัจจอาวุธที่ไหนที่ไหนต้องเอ่อ คนเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นประธานวันหน้าไม่ใช่สัตรอาวุธใดๆทั้งนั้นเราจะไม่ฆ่าพี่น้องไทยด้วยการด้วย เ, เกล่อยกล่อมหลายๆนหนักๆเข้าก็เข้าใจเข้าใจความผสมของรัฐบาลก็ตกลงกันได้นัดหมายด้วย สื่อสารเป็นตัวนว่าจดหมายเป็นอะไรสื่อสารเป็นความจริงทุกอย่างว่าเราจะเข้าไปมอบวันที่เท่านั้นเท่านั้นให้มารับตรงนั้นตรงนั้นนะท่านนั่นก็มากันเลยไม่มีสัตว์อาวุธใดๆมาแต่มือเปล่ามารับสัตว์อาวุธจากพี่น้องผู้หลงผิดทั้งหลาย ไหลกันมาจริงๆไหลกันมาจริงๆริเอาปืนทุกชนิดอาค า, าค M 2, M 2, เกเอ็มทูเอมเธอออามาระเบิดระเบิดเอามาเอามากองละเนินเทินทึกไว้กันไปลงมนหน้ามันชีลายชื่อไว้ผูนี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่เบออะไรจะจัดสถานที่ให้เหมาะสมที่ตมาจินเขาก็ทำตามนั้นทุกอย่าง ก็สงบไปเลยสงบไปทางน้ำคายทางเมืองเลยทางแต่คนนะกอุดรธานีก็สงบลงสงบลงไม่มีไม่มีผู้ขอการร้ายมีแต่ผู้ขอการดีกันหมเนยเขาวัดเขาวากันจำศีลภาวนากันไปเท่านั้นไม่ได้รุนแรงกับระกบาลเลยนะจะสงบลงได้ พักได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะดีนะพักได้ 3, สามสีจังหวัดคือสามจังหวัดถ้าทำได้การุญยเทพได้คงจะดีนะนะพูด <ๆ S 1> ให้เขาอกเขาใจกันจๆรๆิงจริงจังๆน ะ, ๆนะเห็นพระบรมมาลาจินีออกรายการอยู่หลายวันรายการเดียวละต่ออกหลายหลายวัน ตอนเช้ า, ชาตอนกลางคืนก็มีออกรายการเชิญชวนที่น้องทั้งหลายให้เมตตาปราณีต่อกันช่วยเหลือถึงกันและกันปรากฏว่าจะได้ผลนะพวกาตานาต่างๆก็เข้าฟังกันเป็นจำนวนมากทาั้งข้าราชการทั้งประชาชนฟังกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจ พระบรมราชินีก็เมตตามากพูดไปบางแห่งน้ำตาไหลพระบรมราชินีท่านสงสารเมตตาผู้ถูกรลังแกทั้งหลายไม่มีที่อยู่ที่อาศัย <c oughs> สวนยาก็ดีสวนเงาะทุเรียนมาคุดลมุดลมใหญ่ดีผูกไว้เยอะ เขาไปทาวางแผ่นไปซื้อไปซื้อแต่ว่าไม่ขายขายไม่ได้เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อจากแม่ถ้าไม่ขายอย่างนั้นเขาก็ใช้อิทธิพลมืดอืไปถางไปถางต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั้งหลายอ่ะลมระเนระนาดลงต้นยางก็ลมระเนระนาดลงต้นไม้อะไรก็ลมระเนระนาดลงปากก็ไม่ได้ เขาลังแกขนาดนั่นนะเลยไม่มีที่อยู่ที่อาศัยจะอพยพไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีหนทางจะไปเพราะคนจานวนตั้งสามแสนสี่แสนคนในเขตสามจังหวัดสี่จังหวัดน่ะไม่มีที่ไปแล้วก็พระบรมราชินีจึงอ้อนวอนให้คณะรัฐบาล และผู้เราผิดชอบเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขแต่ไม่เห็นพูดเรื่องการุณยเทพเลยการุณยเทพโครงการการุณยเทพไม่พูดให้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องผู้เดือดร้อนทั้งหลายจริงๆไม่ฆ่าไม่ฟันกันละไม่ใช่สัตรอาวุธกำลัง ใ, ใดๆไม่เห็นพูด ก็เ น, นี่ยเพราะบุลมราจีนีก็เพี่ยงไปคำหนึ่งสองคำอยากจะฝึกยิงปืนอยากจะฝึกยิงปืนลูกตองลูกแสนแะ้ว แ, แ, แกแตกแกแล้วแสงตามไม่ดีพราะงั้นน่ถ้าจะฝึกปืนฝึกอะไรอยู่อย่างนั้นกับขาดการุณย เ, เทพีว่าไม่มีไม่ให้ฆ่ากัจจิ ก, กิง อัพยาปจังสุขขังโลเกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดอัพยาปจังหมายถึงความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสุขขังโลเกเป็นสุขในโลกไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีศัตรูใดๆใครก็ไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูของใคร มีแต่เป็นมิตรทางนั่นเข้าดูแลสาทุกสุขดิบเหมือนพี่เหมือนน้องเราจริงๆริงไอ้เรื่องรุนแรงมันก็จะสงกลงอ่าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้อภัยาปัจชังสุ ข, ขังโลเกปานาภูเตสุสัญญโมนะ ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นผู้อื่นด้วยกายก็ไม่เบียดเบียนด้วยวาจาก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจกันด้วยจิตใจก็แผ่เมตตาเต็มดวงให้แมแผ่เมตตาเต็มที่ก็จะอยู่ด้วยความสงบไปเรื่อยๆไม่มีขาดเหลืออะไรส่งมาช่วยเหลือเขา ไหมนี้อะไรอะไรจะอยู่จะกินแล้วเดือดร้อนในเรื่องอะไรก็ช่วยเหลือเขา อ, อย่างพี่อย่างน้องจริงจิงจรงจั ง, จงไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันความพยาบาทบัคาด้ล่ก็จะสงบระงับลงได้สบาย พออรมเวลากีนี้หนาท่านน้ำตาไหลพูดไปพูดไปก็พูดไม่ออกน้ำตาไหลออกมาเช็ดน้ำตาแล้วก็พูดต่อไปเออของสารที่น้องผู้ขาดที่ขึ้นสามีก็ตายอย่างเงี้ยลูกหลานทั้งหลายก็ตายไปหลายแล้ว แก้แค้นยังไงมันแ ก, แก้ไม่ไหวนะเอาการุญเจเทปไปใช้ถ้าจะดีเมตตาเอาเมตตาบิ็นให ญ, ญ่เลยโลโกผดธรรมพิกาเมตตาแท้เราส่งพวอมรงหาด้วยเมตตาจริงๆจังๆก็จะสงบลงหรอกตั้งแต่ช้างนาลากิริง รุไหลขนาดไหนช้างแ ท, แท้พระเจ้าชาติตรูไปคบกิดกับพระเทวทัตให้ปล่อยช้างออกสังหารพระพุทธเจ้าเวลาออกเดินบินบาติพระสงฆ์ทั้งหลายก็เดินเป็นแถวตามหลังพระพุทธเจ้าพระอานนท์ ลองจับพวกพุทธเจ้าไปที่ตามไปช้างตกมันเขาปล่อยออกมาแล้วอารวาดทุกอย่างอะไรขวางหน้าเอาทุกอย่างฟาดฟันแหลกรานไปหมดเ ป, เป็นรั่วเป็นล้านเป็นโต๊ะอะไรแตกแห ล, ล่แหลกลวเหยียบย่ำไปเลยมันเมามันพแรงแล้วขนาดนั้นใครก็เอาไม่อยู่ สมัยก่อนไม่มีปืนอาก้าอาก้ออะไรหรอกอมีแต่หอกแต่ดาบตัว น, นั้นแหละที่สู้กันแต่ว่าวิ่งมาปล่อยมาพุทธเจ้ายืนเมตตาจิตอย่างแรงเมตต์มปูเสกบวิธินาคิตวามุนินโดน่ะในพระองเวิ่งมา อย่างแรงพอมาถึงพระพุทธเจ้าไม่ให้ใครเข้าไปลพุทธเจ้าไม่ให้ไปไ ม, ไม่ให้ไปเราจะเจนบานเองเราจะนานเองตัานแผ่เมตตาเต็มดวงแล้วเป็นปุเรจาริกแผ่เมตตาเป็นปุเรจาริกเต็มดวงคนมีเมตตาใ น, ในตาทร่หยาดนํำพึ่งนะไม่ใชในตาจ้องนะ คนอื่นไม่มีเมตามันจ้องจะกินเลือดกินเนื้อกันนะจ้องขมแขงกันเนี่ยรอดแหวนใจกันนะถ้าไม่มีเมตตาตาจ้องใจมันก็ไม่เย็นเพราะพุะทีเจ้าเนี่ยมองนาลาจีริเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันมาแต่ขอนแะล้วเรานาลาจีริเอ้ยเออเมอหมั่นนะลูกพ่อ พอมันไม่รู้สึกตัวเลยฟาดวันทุกสิ่งทุกอย่างช่างวิ่งมาใกล้ๆผู้ที่เจ้ามองเห็นในตาที่หยาดเยิมเหมือนนังนำพึ่งเหมือนนังตาโคอ่อนเหมือนดังตาเม็ดทายอ่อนๆตาเย็นมากอมองด้วยความเมตตาขนาดนั้นช่างก็ทนไหวๆวิ่งเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ แด น, นหนา้าดูพระพุทธเจ้าดูพระภักดูในตาย่าเยอมเหมือนน้ำผึ้งอย่างนั้นเตี่ยมด้วยเมตตาเต็มดวงทีเดียวช้างก็ทนไม่ไหวหมอปุ๊บลงเอางาแทงดินเอางาแทงดินลงนั่นฮนะแล้วก็เอามือค่อยคำคำมาเอาวงค่อยคำคำมาที่ พระบาทของพระพุทธเจ้าค่อยลูกค่อยสูดเอาผงธุลีในบาทในกฝ้าพระบาทพระพุทธเจ้าแล้เราเอาโรยหัวตัวเองเจ้านะ่ะเอาเอาผงธุรีนโรยหัวตัวเองอ่าคำคำเอาเขานั่นบริเวณนั่นละ่ะเอามาโรยหัวตัวเองอย่างนั้นนะอืด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้านั่นเอง ช่างลุกขึ้นได้ได้สติโอ้เราทำบาปทำกรรมมามากแล้วปาดฟันอะไรอะไรแหลกลานมาแล้ว อ, อไปไหว้เพ่ทำไม่ได้ทำไม่ลงแล้วปับดีกว่าลุกถอดงาได้ก็ถวายบังคมพระบรมธาตสดาอ่อ้องแปะแป่นกลับไม่ทำอะไรอีกเลยไปเข้าจำลองเอง ไปเข้าค อ, อกเองน่ะเข้าคอกสร้างอ่ะไปเข้าเองไม่กินยายกินน้าแล้วเสียใจหลายเนะเนี่ยเว็นว่าเมตต์ธปูเสกบวิศินาคิตวาโมนินโดนาลายิลิงกัจวรลังอธิมัตภูตังนาสาวกชิกักรมััสนีวัสุธารุนันตังนั่ะสร้างนารายิลิงตกมันลายกาศขนาดไหนเหมือนกับ ลมยุคันตวารวิ่งพบอะไรก็เอาแหลกลานมาเลยอย่างนั้นมาพบพระพุท ธ, ธเจ้าต่อหน้าต่อตากันละ่ะเจอในตาของพระพุท ธ, ธเจ้าที่แฝงเมตตาเต็มเปี่ยมอย่างนั้นหมาะปุ๊บหลงเลยไม่ทำอะไรอีกแล้วขอเอาผงทุลีในฝ่าพระบาทเนี่ยมาโรยหัวตัวเองอด้วย อิติปิสังอันหนึ่งเปนอิติปาติหารอนหนึ่งของผู้ที่เจ้าที่มีเมตานะเอามาโรยหัวเนี่ยมันจะเป็นยาเป็นอะไรเป็นน้ามนต์อย่างดีห <c oughs> อมธุลีเป็นน้ามนต์อย่างดี <c oughs> โอยหัวตัวเองก็สว่างขึ้นมารู้เรื่องรู้เล่าหมดทุกอย่างอ่าโอยทําไม่ได้แล้ว วิ่งกลับบ้านเนอะวิ่งกลับเข้าจำลองอย่างเดิมเนีเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทเราทั้งหลายต้องฝึกหัดภาวนาแห่เมตตาให้เต็มดวงขุนเเป็นปุเรจาริกจริงจริงจังๆแห่เมตตาไปถึงหมูสัตว์ทั้งหลายด้วย เ, เรามาอยู่ในป่าแห่งนี้สัตว์ป่าก็ย่อมมีอยู่ว่าง ยังพวกงูพวกตว์บาบแมงปองอะไรอะไรนั่นพุทธเจ้าให้แผ่เมตตาเอเรามาอยู่ในป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเขาเมื่อก่อนเขาทำมาใกินอยู่แถวนี้อในวิรุ ป, ปรเปในคันตปริศวิรุ ป, ปรเปกเีิแมไม่ตั้ง เ, เ, เมตตัง เ, เอราวัตเจฮิเมเอ ขอความเป็นญาติขอเป็นมิตรของ้าพระเจ้าจงมีแกตระกูลพญานาคชื่อวิลุปกาอ่าสัพยาพุตเมยเมตตังอีกขอความเป็นญาติเป็นมิตรของเราจงมีแกตระกูลพญานาคชื่อวัศพยาบุตรเมตตังกันหาคอธรรมแเกหิจ่าให้เมตตาตระกูลพญานาคชื่อโคอครรมกาอีกด้วย อปัฏาเกหิเมแม่ตังขอาความเป็นญาติเป็นมิตรของเราจงมีแก่สัตว์ไม่มีเท้าอปปัฏาเกไม่มีเท้าอ่าแม่ตังดีปัฏาเกยิเมแม่ตาความเป็นญาติเป็นมิตรของเราจงมีแก่สัตว์สองเท้าด้วยเราจะมีเป็นญาติเป็นมิตรกันจริงๆสัตว์สองเท้าทั้งหลาย แกตุกประเทยหิเมแม่ตังอันให้แผ่เมตตาไปถึงสัตว์สีเทาด้วยสัตว์สีเท่าก็มีพวกหมีพวกเสือพวกอ่าสัตว์อะไรมันมีสีเทาเมตังพระภูปเทหิเมขอความเป็น ญ, ญาติเป็นมิตรของเราจงมีแก่สัตว์มากเท่าด้วยสัตว์มากเท่าก็คือจมพวกไหนพวกตะขาบแมงกองกี่คือ อะไรที่มันมีสัตว์มแมลงมุงมแมลงเมืองมงมลายเหล่านั้นสัตว์มากเท้าทั้งหลาย เ, าเพราะฉะนั้นเมตตาไปถึงสัตว์องเท้ามามังอปัตราโกหิงสีสัตว์ไม่มีเท้าด้วยมา่าสัตัดไม่มีเท้ากระจมอย่าเบียดเบียนเราเราแผ่เมตตาให้แล้วมามังหิงสี อ, อะไรนิพากโกขอความเป็น ญ, ญาติเป็นมิตรของเราแก่จงมีแก่สัตว์สองเท่าด้วยมามังแกตุปปะโทหญิงเสนขอความเป็น ญ, ญาติเป็นมิตรของเราจงมีแกสัตว์สีเท่าด้วยสัตว์สีเท่าอย่าได้เบียดเวียนเรามามังหญิงสีพหคปะโท เราซัดมากเข้าก็จะได้เบียดเบียนแล้วบบไม่เบียดเบียนกันจริงๆเพราะฉะนั้นจันจึงให้แผ่เมตตานี้ละไปในป่าในเขาที่ไหนที่ไหนไม่ต้องเบียดเบียนเขาถึงแม้เพอพเพอความเพอตั้งเพอไปปัดทุกอะไรไปก็ไม่มีพิษแปลว่าไม่มีพิษสัดมีพิษก็มไม่มีพิษ ถ้าเราแปรเมตตาจริงๆถึงมันกันเราเราก็จะไม่ฆ่ามันเลยให้ปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมันอย่าเบียดเบียนเขาให้เขาอยู่ตามสบายของเขาจงอยู่ที่ปลอดภัยแต่ถนนทางที่เราทํามาเราจะเดินทางนี้เราจะไปตามถน น, นทางเวลาไปก็แปรเมตตาไปให้หลีกทางไปนะ ให้หลีกลาเราไปเราจะไม่เหยียบถ้าเราเผลอไปเกิขึ้นเหยียบไปเพราะไม่เห็นเอ้วก็ให้อภัยกันด้วยอย่า ก, กัดกันตั้งใจอย่างนี้เส ม, มอๆเพราะว่าไปอยู่ในป่าในเขาที่ไหนก็ปลอดไัยสัดาลขนาดไหนก็ปลอดไปอพวกเสือกมาเป็นญาติเป็นมิตรพวกหนีก็มาเป็นญาติเป็นมิตร พวกสคาบแมงป่องงูเหี้ยวเที่ยวคอปองอะไรก็มาเอออมาป็น ญ, ญาติเป็นวิตรเระหมดล ะ, ะไม่ไม่ไม่มาก็แสดงความพอใจก็คุณเจ้ามาอยู่ที่นี่แล้วแสเมตตาให้เต็มดวงอย่าให้เขาฆ่าเ ข, า, ขากันเลยถ้าพบเข า, ขาอะไรเขาไปเฉยๆอย่าฆ่าขอบิดาวะ ขอขินเจ้าก็บินดาบเนยญาติโยมเ อ, อ่ยอย่าข้าเขาเนอปล่อยเขาไปตามเรื่องตามราวเขาเราแผ่เมตตาเต็มที่ตัวเนี้ยตัวดีเหลือเกินแผ่เมตตาเนี่ยดีเหลือเกินแจะทำให้จิตใจสงบได้ง่ายจิตใจจะเป็นสมาธิได้ง่ายที่สุดถ้าแผ่เมตตาเต็มดวงเสมอเสมอแล้ว ใจจะรวมลงอ่าเป็นหนึ่งได้ไม่คุ้มไม่ซ่านอะไรเลยสตทั้งหลายทั้งปวงเขาก็มีความสุขโมตนาสาธุการกับพวกเราด้วยอ่ารู้จักเขารู้จักดอกเขามองหน้าเหมือนกันนะเขามองหน้าแล้วเอ่อมันไปของมันเองเราไม่ได้รำแกมันไม่มีค้อนก็ไม่ตีมันมีอะไรก็ไม่ตีมัน ไปทงอื่นไปอันนี้เห็นอนุภาพมาแล้วห <c oughs> ลวงปู่ไปอยู่คำเมกไปอยู่คำเมกเนี่ยมีโูเห่าอตัวแดงๆเหมือนแสงพระอาทิตย์เนี่ยตัวแดงมากเนาไปเจอกันอยู่กลลลากต้นไม้ทางนั้นก็ามาอย่างรุนแรงมาเจอกากต้นไม้แล้วโผล่ อ, ออกมาขึ้นหนึ่งโก ออกมากครึ่งหนึ่งไปตัวยมมาทางนี้ไปไปทงอื่นไปไปทงอื่นไปเสีย ท, ท, ท, ทางเดินเร า, าอยู่นี่นะไปทางเดินจ้ะตัวใหญ่นะท้ อ, องแขนด้วยยกคอขึ้นมองเรามองเรามันทำยังไงมองเราเรามันฟุ้ยเห็นไหมนะฟุ้ยฟ <c oughs> ุ้ยเฉ ย, ยไม่ได้ขู่อะไรเราไปเลย ไปขาดขา้ขาวข้าเออไปไกลไกไปไกลๆทางนี่เราเดินอยู่เนี่ยมีหลายเพี้ยวอยู่ที่ปรากฏอยู่ไปอยู่ท่บฝาปูไปทําห้องนา้าห้องช่วมใส่รูรูลึกๆรูหินแตกลงลึกๆเนี่ยทห้องช่วมใส่นี้แ่ละเอาไม้ไปกาดกาดดีๆแล้วก็เอาไม้าฝาฟากไม้ไผ่ไม้แอมดีๆฝากไม้ไผ่ไม้แอม เราเราก็นั่งทายอยู่นั่งทายลิงตัวหนึ่งมันมาเขย่าใส่เรายินนะมันมาเขย่าต้นไม้ใสข้างบนเฮ้ยเอาอยู่นี่ไว้เด็กเขย่ายังกันหรอเราไม่เป็นศัตรูเป็นล้อมาแค่ประเดี๋ยวเดียวมูมาทางโน้นนั่นและวันี่มาทังโน้นน่ะเสียงขับขับขับขับว่าเอ๊เสียงนี่เเสียงยาวยาวขับขับขับข่ะ มาถึงห้องหน้าว้งชั่เราแล้วอฟากไม้ไผ่ตรงนั้นมันไม่ไม่ถึงพื้นมันหางอยู่ต้อคืบหนึ่งนี่ล่ะภาพไม้ไผ่มันไม่ถึงพื้นเอมันก็วิ่งมามาหัวผู้ลู่มาเลยหัวผู้ลู่มาเลยหัวคือหัวประคอเนี่ยละแกี้ยงูเห่าดําคอเท่าตัวตัวเท่าคอไม่มีกิวเลยเฮ้ย ก็มาอย่างนี้เราเอาอยู่นี่เนอะไปทำอื่นไปก็แหน่หน้ามาดูอย่างนี้ละเอียงคอขึ้นดูอย่างนี้ยกไม่ได้ยกคอหเอียงดูดูแล้วเหมือนกันนะไอ้นี่ก็เหมือนกันล่ะเวลาจะไปแท่แค่เฟ้ยขู่เฟ้ยนหรอไปเลยกลับคืนทางเก่าไปทั้งนั้น แม่พอมันไปเราตายเลยข้างเนะ่ยขาข้างนี้ขาตายเลยมือยอ้อยสร้อยเลยเอยขาชาไปมดเกี่ยวกับเดินเมื่อเป็นเวลามันเสียวงูอย่างนี้เขาว่างูมีพิษอย่างรไรแกอากาศงูห่าดำอ่าแหมมันก็ไม่สู้เรามันก็ไปเฟ้ยกลับขึ้นหัวเข่าไปนู่นอ่อมันมานี่เอง วันหลังต่ออไปก็เลยเอาไม้ไปซอนซอนตรงนี้เอาไม่ฟากไปซอนซอนตรงมันที่ฝากไม่ถึงดินเนี่ยมันมันอาจจะมาทางนี้ของมันนเนี่ยเป็นหนาอา จ, จ, จารย์าลายข้างลายคราอยู่มีงูทําทานงูอะไรงูปักเง้าหรืองูอะไรเน่ะตัวไม่ใหญ่หรอกตัวเท่าไม่เท่านี้ละอ่ามันมานอนอยู่ข้างหมอน มันอุ่นอยู่ในกดนะว่า น, นอนอยู่ข้างหมอนยาวนี้ก็ไลก่กาดเหมือนกันล่ะกาบพระไปกาบพระมาแล้วก็ลืมตาดูเอ๋อันนี้ผี่ือจิงบอกเคยเห็นไอัน่ีว่าอยู่ยังไงมันกดดีกดดีเอ๋มันลายลายเว้ยอะไรอย่างใบได้น้ำกดนามกดอยู่นันมาเดีอ่ะ ตามกฎถอดไว้ข้างที่นอนอ่ะเอาเชียไปเชียไปเชียไปกับเข้ามาอีกเข้ามานอนที่ตรงนี like to to hmm. ้อีกเชียสองทีสามทีเข้ามาอยู่นี่อีกเอ่อมอเนี่ยมันอุ่นเหรอว่าได้หรอกต้องขับแข้งต้องนอยไว้เคาะแป้นเนี่ยปังปังเังอันนี้ค่อยผ่านไปเงี้ยืงี้ยเงี้ไป ไปไปเรื่อยๆยังไงจะมองหน้าขึ้นมาอยากว่าอยู่นี่ไปไปทักเย็นนะไปไปไปครับไปไปเราไปปีนขึ้นหินอ่ะหินมันเป็นเราเราก็กกปีนขึ้นหินไปไปไปไปพอสมควรแล้วกลับขึ้นมาอีกอยู่ยังไงล่ะ <c oughs> อ้าวหมอนี่บไม่ไหวเราก็จะมานอนด้วยบา <c oughs> งทีเราเผลอลงเผลอหลงไป นอนทับนอนอะไรมันจะกัดเอาเราอ่ะไปาะอ่ดไปเขียประเดี๋ยวเขียข่ยแท้ๆเขีย่ยลงใต้คล้ อ, องร้านบะที่ร้านนาะมันมีรูใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นเราทําร้านอยู่ห้างบนขึ้นมาทางนั่นมานอนเดี๋ยวนี้แต่เราเวลาเดินยังคงก็ลงไปเดินข้างล่างไปละลงไปข้างล่างเออเช็ามาไม่มาออื บาเนี้หายต๋อมเลยเราก็เหน็บมุ้งเขา้าที่วันเนี้ยเอามุ้งลงกลางแล้วก็ ย, ยัดยัดเข้ามาดียัดมาให้เข้ามาได้แล้วเอาเอาเสือทับมุ้งไว้อาบมดเออบ้านนี้ก็นั่งได้นอนได้แล้ววันเนี้ยคงจะเข้ามาไม่ได้แล้วมันจะเข้ามามวมิธีไหนเข้ามาไม่ได้แล้วเนีเข้า เขาทำไมาเป็นศัตรูกับเราหรอกเขามาเป็นมิตรเขามาอาศัยเราแล้วอ่ามันอุ่นที่นี่เหมันอุ่นมันมีผ้ามีหมอนมีอะไรเมาก็มานอนด้วยวันนอนมาหลายวันแล้วเขาไม่รู้จักเราไม่ได้เห็นมัน <c oughs> แต่วันนี้พระเอิญเกิดไปขึ้นเราเห็นมันแต่มันไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นไรกับเราหรอก เขาเอ่ยว่างูทำทานงูทำทานว่าลังคมคมลังคงมคมงูสามเหลี่ยมเมือะอะไรก็ไม่เป็นไรเพรายันา น, นุภาพของการแผ่เมตตาอานุภาพของการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวดให้ทุกวันทุกวันวิลุ ป, ปะแขไอ้อ เ, อเมต่ตามเนย สวดอยู่ทุกวันละแล้วก็สวดกรณียเมตตาสตดด้วย mm hmm. กรณียเมตตาสูดนีดี mm hmm. อ่าทำเราเป็นญาติเป็นมิตรกับพวกพูดผีปีศาจได้ถ้ามีพูดปีผีปีศาจดูายในที่นั่นถ้าเราจเจริญ เออกรณียาเมตตาสุญโย و, กรณียาเมัตากุศลเลนา่ายันต์ต่างๆประด็นกับพิษเมตตาสักกุชลจาสุขุศลจาสุวาจจะสามุคุีอนาธิมานีนะสวดจนจบเลยาให้สวดทุกวันให้เมตตาทุกวันให้พวกผู้ผีปีตาดทาั้งหลายเขาเกรงขามเขาโมทนาในกองการกรุศล เทวดาทั้งหลายก็ช่วยป้องกันให้เราด้วยดูแลไล่เทวดาทั้งหลายไล่ให้พวกนั่นหนีไปไกลๆไม่ให้มาใกล้แถวนี้อูตวาสัมภเวชีวาสเพสตาะวันตุทุกิจตาเนีอันนี้เป็นของดีเราก็ตงเจริญอยู่เสมอเสมอแฟ่เมตตาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ ป้องกันพยันตรายได้หลายอย่างอือวีรุประเขกก็ว่ามาแล้วอา น, นิสงส์ของวีรุประเขขันตบริ์ อ, าอาตานาติยาบริสอีกตันไดสวดวิปัสสิทธิ์วิปัสสิทธ์นามัตุจะคุมันตะตาธิริมโตสิกิสพปินา ม, มัตุสภพภูตาธุกา ม, มิโนเวสพุดสนา ม, มาัตุ <c oughs> นาอาจารย์สตตปิโลเหเนี่ยสวดไปเจ็ดจบก็ล้วมีประสิทธิ์ก็ดีสุดได้เราได้กระสวดเรื่อยๆเป็นทำให้สัตว์อื่นมาเป็นญาติเป็นมิตรกับเราได้มาเป็นเกือนเป็นผูงได้สัตว์ในป่าเนะพวกลิงพวกข้างเขาก็ไม่กลัวไม่กลัวเรา ถ้าชาวบ้านชาวเมืองมาฝ้าดำๆมาถือคืนถืออะไรมาเขาไม่อยู่พวกลีงพวกข้างเข โ, โดดหนีเลยถ้ามีแต่เราอยู่ที่นั่นมันมาใกล้ๆพวกตะกวดพวกแรดเราเนี่ยมาเล่นอยู่ด้วยมากินน้ําด้วยน้ําล้างเท้าหรืมากินที่นั่นพวกลิงพวกข้างเอามากินน้ําที่นั่น <c oughs> น่าสงสานมันอุ้มลูกอุ้มอะไรมา มานั่งดูมันเอ๊มาดูน้ําจินจินน้ําแล้วเอาลูกอยู่คอเดี๋ปลดออกมาปลดลูกอยู่คอเดี่ยออกมามานั่งนั่งแล้วเอามืออาวิทย์น้ำอาวิทน้ํามาให้ลูกอาบอวินย์น้ำให้ลูกอาบลูกหลังลูบอะไรให้อาวิทน้ําลูกหลังลูบอะไรให้อย่างดีอือเราก็ไม่พูดอะไรละ่ะกลัวมันจะโดดนห น, น, นีให้มันกินอิ่มซะก่อนนะมันสบายซะก่อน เก็บค่อยไปเวลามันอิ่มแล้วมัน น, นั่งไปแถวอยู่เออมาใหม่เนอะวันน้าวันหลังหิวน้ามากินที่นี่เนอะเพราะมันนั่งมองเราอยู่เฉยๆข้างข้างแนี่ยปากอมอมอมหางยาวๆเนาะเอาลูกเอาเต่ามากินน้ําด้วยถ้าเหมือนพี่เหมือนน้องเราล่ะอามาทุกวัน บางทีเราได้กล้วยได้อะไรก็มาวางไว้ให้อกินข้าวไม่เป็นถ้าผลาไม้ก็กินดีแต่ว่าข้าวเนี่ยไม่ค่อยกินจับมาดมดูก็โยนทิ้งจับมาดมดูก็โดนโยนทิ้งกินข้าวไม่เป็นเนาะข้างนี่ยนะกินผลไม้เราเอาเลยคมคอมเลยเป็นผลไม้นะกินดีเนี่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ตาเราแก่เมตตาเขาก็เป็นญาติเป็นวิตรของเราได้หลวงปู่เทศท่านวาอยู่ท่ำขามอันนี้ลีไฟลือมาพิเวกอยู่ท่ำขามมาอยู่ลีตัวใหญ่ๆลงมาหาท่านเองไปเอาอะไรให้เรามานั่งเฝ้ามาดูแลอยู่เฝ้าอยู่ใกล้ นั่งใกล้ๆไม่หนีใกลท่านก็พูดก็มันเล่ๆนๆะอ่ะเอออยากกินอะไรก็กินได้เด้ออยากเอาอะไรก็เอาได้เด้อแต่จะทำให้เจียหายอะ่ะออของมีของกินจะเอามาฝากลอกนะมาจนอยู่มาอยู่กับท่านในจะนว่าหลวงปู่คือตายหลวงปู่มรณภาพ ในวันลง ป, ปูมอแลภาพเนี่ยมันร้ปปนนองที่ตุดเลยกอกฟ้ากอกฟ้าอย่งอางไรล่ะไว่กินอาหารการกินล่ะเศร้าแสดงความเศร้าโตกเสียใจฮะเขเอาพักอยู่ที่ทำขามแล้วก็จังนานอศพพอลงปูใกล้ใกล้ๆวันพระราชทานเพลศจึงเอาลง ป, ปู นิมนหลวงปู่เชิญศพกลับบ้านกลับวัดที่โน่นมันสถานที่ควา้างความดีอ่าตอนเอาศพเคลื่อนนี่กับแสดงความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะพวกลิงต่างหลายอ่ะแสดงความเคลื่อนไหวขึ้นโดดไปขึ้นโดดมาอย่างนั้นอ่าแสดงความไม่พอใจอเอาศพหลวงปู่ลงจากท่ามค้ามอ่ะ ออาไปแล้วนิดแล้วก็เหงาเหงาเหงา ngồi เหงาเหงา n ส ồ i เศร้าเหงาเหอย ngồi เศร้าอะไรเหงาอยู่อย่งนันนะแต่นานตายหรือยังงูเนี่ยพวกนั้นนะนี่ท่านไปอยู่ที่ไหนเป็นญาติเป็นนิดกับสัตว์อื่นสัตว์อื่นเหมือนพี่เหมือนน้องกันอย่านท่าน ควาเมตตาปรานีเนี่ยมันดีแต่แตเป็นสเสน่ห์เป็นนิยมอันหนึ่งทำให้ผู้อยู่ใกล้มีความสุขใจสัตว์อื่นมาอยู่ใกล้ก็มีความสุขใจไม่คิดตะกิตตะขวงใจไม่กลัวใดๆทั้งนั้นเพราะท่านไม่มีปืนไม่มีอะไรมีปืนมีอะไรมีแต่ของใช้ธรรมดาประจำวันเท่านั้น เรื่องเมตตาเมตตาดีมีอนุภาพมากเป็นว่าความพูดมีเมตตากรุณาอยู่เรื่อยๆนั่นมนุษย์สารังปีโยโหติพวกมนุษย์ทั้งหลายเขาลบยำเกรงเขารบยำเกรงถ้าเรามีเมตตาแล้วเขาลบเรื่องใจยำเกรงรัก อาเยวัลักปัตนาดีไม่ได้ปัตนาลายพวกมนุษย์ทั้งหลายอะมนุษย์สานังปีโยโหติอ่าแม้พวกพูดปีปีศาสอะมนุษย์ทั้งหลายก็เขารลบเรื่องใสยำเกรงไม่ไม่ทําอะไรให้ตกอกตกใจอะไรพวกพูดปีปีตาด้วยอะมนุษย์สานังปีโยโหติในที่สุด เทวตารักษันติพวกเทวดาจะรักษาถ้าผู้มีเมตตาอยู่ในที่ใดเทวดามีในต้นไม้ภูเขาเถาวนในไห น, นมีพวกว่าลุคเทวดาภุมมเทวดาอากาศเทวดาเทวดามีอยู่ ถ้าเรามีเมตตาเจมเปียมอยู่เสมอเสมอเทวดารักษาอีกไม่ให้พบอันอผ่านไม่ได้พบอันมาผ่านอันลอไลยอะไรไม่มีอะไรสิ่งไร้ดีๆหนีไปไกลๆเหมือนดังๆ ง, งมั่อีกับพระเวสสันดรไปอยู่ในป่าเขามงกฎคีรีโนอนเอทวดาไปดูแลรักษา ไล่พวกเสือพวกอะไรหนีไปไกลๆไม่ให้มาใกล้แถวนั่นบริเวณนั่นไม่ให้มีอะไรเลยเจวดาให้ไปถ้าแยกย้ายไปที่ อ, อื่นที่นี้พระโพธิสัตว์กำลังมาบมเพ็ญบารมีอยู่ที่นี้ที่ว่านะให้ไปอยู่ที่อื่นอย่ามาทำให้ตะพึงกลัวใดๆทั้งนั้นนะอ่า เทวดาลักขันติเทวตาลักขันติมนุษย์นังปีโยโหติอมนุษย์นังปีโยโหติเทวตาลักขันตินี่มุดกล่องกันมีอยู่เราแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆเทวดารักษาอ่าเราแผ่เมตตาประจำเรื่อยๆพวกญาติพวกโยมอยู่บ้านใกล้แล้วนี่เขาก็มีความสุข พวกจาติพวกโยมทั้งหลายมีความสุขเพราะเรามาอยู่ที่นี่อนุตรังบุญยัเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นเนื้อนาบุญของโลกเพราะเรามีศีลมีธรรมมีเมตตาการุณาไม่โหดร้ายกลับไปรกลเลยให้แต่เมตตาไปเรือ่อยๆอ อาจารย์อะไรที่ไปภูในเขาใหญ่พานั่นไปภาวนาอยู่ที่นั่นมั่นใจตัวเองเกินไปแต่ว่าทำผิดกติกาไปหน่อยหนึ่งทำผิดกติกาเขาก็มาหาอยู่เขาก็มาหาทุกวันลาซางมาใกล้ๆเห็นเขามาเรื่อยๆก็ไม่กลัวไม่กลัวช้าง จะเข้าไปใกล้ๆจะไม่รูปหน้ามันจะไม่รูปหน้าดีหัวตกหัวให้แต่มีคนแอบเอากล้องไปถ่ายดีเนี่ยไปถ่ายแฟดเอาแฟดเนี่ยพอแฟดเท่วนั้นมันก็เอาคุกจะคุกคนเลยนเนียตายพอสร้างกันเอง ว่ามาเป็นญาติเป็นมิตรทำไมเอาปืนนอยังมายิงเราแต่ว่าจ ะ, นนะเอาแฟตนะไม่ก็เป็นใล้ายๆปืนนะออแฟตกํำลังถ่ายรูปนะอยากจะได้ถ่ายใกล้ๆแสงแฟตมันเข้าตาช้างช้างโกรธยายละวัน เ, เนี่ยนึกว่าเป็นญาติเป็นมิตรกันทําไมทํา อ, า, ทมมมมาอย่างนี้อทําไม่มีแฟตมีแฟตมาอย่างงี้ ก็เลยไม่ได้ลูกหัวช้างลูกช้างก็ยี่เอาแหลกหมดอาจารย์อะไรเออได้ยินเบาัไหมได้ยินหัว่าอื่นานล่ะถ้าแมงแพร่ไปตาอย่าทําให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาติดอาขาดสิ่งใดที่ทํากระทบกระเทือนเสียงปืนเสียงอะไรเสียงประทัดป ง, งปังปงปังเหล่านี่ก็ไม่ดีอ่ทําให้ชัด ภาวะตกใจเมื่อตกใจแล้ะไม่มีสติยังไม่อยู่ก็จะคุบคนเลยเนี่ยเอย่างเงี้เรื่องแผลไม่ตาไอเม็จริงๆที่นี่เป็นมงคลดีออกวันนี้คนไม่ตกงานานแล้วเราเข้ามากันลุยเฉ่าะชุ่มฉ่ำพอได้แล้วมีตกปล่อยๆ ล, ล, ล, ล, ล, ล, ลงมา เย็นดีไม่หนาวเย็นพอดีพอดีทำให้เกิดความสบาย